รู้สึกอึดอัดใจจนบอกไม่ถูกมันจะกาศของประสาททําให้รู้สึกว่าเป็นเด็กจันทานพยายามระ ง, งับความรู้สึกและกิริยาอาการให้เป็นปกติไม่ให้เป็นที่ระแวงสงสัยสิ่งที่วันเกรงที่สุดคือท่านสุมาคละจะมาพบเข้าแล้วเรื่องก็จะแตกท่านจะต้องจําได้อย่างแน่นอนข้าแต่ท่านพูดจริง ท่านบวชเป็นพิสุได้กี่พรรษาแล้วขอได้โปรดบอกดิฉันด้วยอัตมาบวชได้เจ็ดพรรษาก่อนที่จะอุปสมบทท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีใช่ไหมถูกแล้วอาตมาเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นน่ะสิดิฉันจึงรู้สึ ก, กคลายก็คล่าวว่าเคยเห็นท่านมาแล้วที่ใดที่หนึ่งแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหนท่านพอจะบอกได้ไหมว่าท่านเคยเห็นดิฉันบ้างไหม โจนตัวสแล้วสิก็หกก็ไม่ได้นึกไม่ถึงเลยว่านางพรามณีจะจําได้แล้วนี่จะทํายังไงดีท่านยัง ม, มรไดต่อไปชั้นเลยท่านเคยเห็นดิฉันหรือเปล่าคะอัตมาเคยเห็นท่านเคยเห็นดิฉันที่ไหนอัตมาเคยเห็นอุบาสิกาที่ปราสาทหลังนี้ถ้าเช่นนั้นท่านก็คือถูกแล้ว ก่อนนั้นอาตมาคือเรวัตตะเรวัตตะโอ้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้พบในลักษณะอย่างนี้แม่ดีใจเหลือเกินแม่ขอให้แม่ได้เป็นแม่เธอนะเรวัตตะจงอภัยให้แก่แม่สำหรับอดีตที่ผ่านมา แม่ได้เบียดเบียนเจ้าอย่างโหดร้ายทารุณเพื่อความโง่เขลารู้เท่าไม่ทันความจริงบัดนี้แม่สนึกตัวในความผิดแล้วขอได้โปรดอภัยแก่แม่ด้วยลุกขึ้นเถอะอุบาสิกาอาตมายกโทษให้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ขอให้ผ่านไปอย่าไปรื้อฟื้นขึ้นมาคิดอีกให้ใจเศร้าหมองอาตมายินดียกโทษให้ทุกประการ ที่ฉันคิดสงสัยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันที่ได้พบท่านที่ธรรมศ า, าลาวันนั้นอุปาสิกาสงสัยอะไรสงสัยว่าท่านจะเป็นเรวตัตตาพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ดีใจมากอยากให้เป็นเรวัตตาจริงๆทําไมถึงอยากให้อัตมาเป็นเรวตัตตาจริงๆที่อยากให้เป็นเรวตัตตาก็เพราะแม่จะได้กราบขอขมาโทษในความผิดที่แล้วมา บัดนี้อาตามาก็ยกโทษให้หมดสิ้นแล้วแม่ดีใจมากเชิยค่ะท่านเป็นความตื้นตันใจจนแม่พูดอะไรไม่ออกท่านสุมงคละละ่ะอาตามาอยากพบอยากพบพ่อเหรอคะท่านไม่อยู่ละท่านไปไหนพ่อตายละท่านสุมงคละตายแล้ว เป็นความจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงกระท่านท่านเป็นอะไรตายท่านตายเพราะเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจมีเรื่องอะไรท่านจึงต้องเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจของท่านเกิดจากชัยเสนลูกชายคนโตถูกพวกโจรฆ่าตายอัตมาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยท่านตายนานแล้วเหรอหลังจากที่พ่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน ทันก็ลมเจ็บหนักและถึงแก่ความตายกันณิกาล่ะพี่กันณิกาแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่เมืองสาเกตเวลานี้ในปราสาทใหญ่มีแม่กับปีลาวดีและท่าชายหญิงเท่านั้นชีวิตของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์แต่เมื่อได้พบเจ้าแล้วได้ขอขามาโทษเจ้าแล้วก็เท่ากับยกก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งออกไปจากจิตใจต่อไปนี้ แม่จะมีความสุขสบายขึ้นบ้างแม่และลีลาวดีขอนิมนมาฉันพัฒหารที่นี่เป็นประจำจงถืออาบ้านนี้เช่นเดียวกับบ้านของลูกเองจงถือแม่เช่นเดียวกับมารดาบังเกิดกล้าวและจงถือลีลาวดีเช่นเดียวกับน้องสาวร่วมอุทธรแม่และน้องจะเป็นอุปปัฏฐายิกาปฏิบัติบํารุงด้วยปัจจัยสี่จนกว่าชีวิตจะหามหม่อัตมาขอลา นิมนต์ให้มาอัตมาก็ต้องมาหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกอุบาสิกาแล้วอุบาสิกาพระมณีละ่ะเมื่อไปธุระให้ดิฉันขอยต้อนรับท่านเออดิฉนคะ่ะอะไรเหรอลีลาวดีดิฉันขอถามอะไรสักหน่อยความจริงก็เป็นเรื่องที่ร่วงมาแล้วแต่ดิฉันก็ค่อยจะทราบถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็จะถามเดี๋ยวนี้ล่ะคะ่ะเอาสิเธอจะถามอะไรก็ถามเถอะ อาตมาให้โอกาสแล้วทำไมท่านจึงหนีจากเราไปได้ลักษณะอย่างนั้นทีฉันรู้สึกเสียใจไม่หายจะหนีทั้งผีก็ไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าท่านพอจะบอกได้ใช่ไหมคะอ๋อที่อาตมาหนีจากบ้านไปคราวนั้นน่ะเลยอาตมาได้บอกเธอแล้วเธอไม่ได้รับจดหมายที่อาตมาฝากไว้กับนาทาสีหรอกเด้อจดหมายเหรอคะอ๋อจริงสิ จดหมายนั้นที่ฉันได้รับแต่ท่านน่่จะบอกด้วยปากหนีไปอย่างนั้นช่วนห้คิดว่าท่านรังเกียจลีลาวดีแล้วเกินเปล่าเลยอาตมาไม่ได้รังเกียจเธอเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามอาตมาหนีข่าวนั้นเพราะรักเธอรักดิฉันหรือคะถูกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้แล้วคะท่านยังรักลีลาวดีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าปัญหานี้ให้อาตมาตอบเลยท่านไม่ตอบแล้วคะ เพื่อนหนึงนเกียรติลีลาวดีซะแล้วลีลาวดีซะแล้วอา น, นิจาลีลาวดี่านเป็นคนอัภผ้าเพอชนาซะจริงๆเสียแรงที่อุสาเฝ้าขอยด้วยความซื่อสัตว์เป็นเวลาหลายปีแต่ผลที่ได้รับก็คือการลืมจิตใจปั่นป่วนเหมือนท้อทะเลเมื่อต้องพายุฝนยังจำคำโบราณได้ยิงมักเอาชนะชายด้ยอาวุธคือปา ถ้าเอาชนะด้วยปากไม่ได้ก็เอาชนะด้วยดาตาเป็นครั้งสุดท้ายปัตณีดีลาวดีกําลังจะเอาชนะด้วยน้ําตาได้ดูเหมือนอาวุธของเธอจะได้ผลซะด้วยความสงสารเกิดขึ้นมาอย่างจับใจแต่เมื่อเห็นสีของผ้าคลุมกายคําศีรษะอันลน้นกําลังใจก็กลับคืนมาต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็ง าาอาตมาต้องกลับละ วันนี้แม่มีโอกาสได้ต้อนรับลูกวนกันก่อนแม่มีธุระเลยไม่ได้พบแต่ลีลาวดีก็ต้อนรับลูกดีไม่ใช่เหรอลีลาวดีต้อนรับอาตมาเป็นอย่างดีอุบาสิกาอย่าได้กังวลแล้วนี่ลีลาวดีไปไหนฉละทำธุระอยู่ข้างนอกแม่จะไปตามเข้ามาในต้องรับอาตมามีเรื่องที่จะพูดกับอุบาสิกาเรื่องอะไรเละออาตมาจะขอลาไปจากที่นี่ ไปจากกรุงสาวัถีอะไรนะลูกจะไปจากกรุงสาวัถีทั้งไมจึงดวนจากแม่ไปแล้วล่ะมาอยู่กรุงสาวสถียังไม่ทันเลจะจากไปเสแลต่อไปนี้แม่กับน้องคงจะเหงาแยะอยู่ฉลองศรัทธาแม่ต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนก่อนเถอะ อย่าเพิ่มด่วนไปเลยอัตมาตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปอย่าได้ทัดทานความตั้งใจของอัตมาเลยลูกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือเปล่าจึงต้องไปจากที่นี่อัตมาไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรที่จะอัตมาต้องการจะท่องเที่ยวไปให้ทั่วเท่านั้นลูกจะไปเมื่อไรตั้งใจว่าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เรื่องนี้ลีราวดีรู้หรือยังอัตมาไม่ต้องการให้รู้ อาตมาขอล้ มาทําไมที่นี่ท่านจะหนีจากกรุงสาวัตถีเหรอคะเธอรู้ได้ยังไงตีลาวดีแม่บอกว่าท่านจะไปจากกรุงสาวัตถีเป็นความจริงเหรอคะเป็นความจริงอตมากําลังจะเตรียมของอยู่นี่ไงทำไมล่ะท่านจะหนีไปทำไม กห น, นีไปหาความสุขกายสบายจิตน่ะสิอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขใจเลยมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาท่านมีทุกข์อะไรคะหลายอย่างที่รุมล้อมอยู่แต่ที่แน่ชัดอาตมาพอจะบอกได้ที่นี่มีแต่คนเกลียดชังใครๆก็ไม่อยากคบคาสมาคมด้วยแม้แต่หน้าเขาก็ไม่อยากเห็นเพราะอาตมาเป็นคนจันทรทานเดนมนุษย์อย่างนี้แล้ว อาตมาจะอยู่ไปทไําไมใครเกลียดท่านชื่อบอกหน่อยสิคะคนที่เกลียดอาตมาเธอก็รู้อยู่แก่ใจดีนี่ลีลาวดีถ้าดีฉันรู้ดีที่ฉันจะไม่ถามท่านเลยแต่นี่ดีที่ไม่รู้จึงได้ถามถ้าเช่นนั้นอาตมาจะบอกบอกสิคะใครเกลียดท่านลูกสาวท่านสุมคละคขหาบดีดีจัาเหนคะ่ะถูกแล้วเธอนั่นแหละ ดีลาวดีท่านเข้าใจผิดใหญ่ละดิฉันเหลือจะกล้าเกลือท่านได้ลงคอตรงกันข้ามดิฉันรักบูชาท่านด้วยชีวิตจิตใจก็ว่าได้จริงเหรอจริงสิคะเมื่อครั้งที่ท่านอย่างเป็นเด็กอยู่ที่บ้านดิฉันรักบูชาท่านยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ท่านไม่อยู่ดิฉันไม่เคยมีความสุขเฝ้าเฝ้าแต่คิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลา อาตมาไม่เชื่อยังเธอปากพูดอย่างใจไปอย่างไม่ตรงกันหรอกที่ท่านไม่เชื่อก็เพราะท่านเกลียดลีลาวดีใช่ไหมคะแล้วแต่จะคิดเอาเธอคะค่ะท่านจะเกลียดลีลาวดียังไงก็เกลียดเธอะแต่ที่ฉันค่ายจะขอร้องอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นถ้าการุณาที่ฉันในข้อนี้ไม่ได้ก็จงหนีไปซะให้ไกลจากกรุงสาวัตถีคื่กลับมาอีก เธอจะขอร้องอะไรอาตมาลนะ่ะถ้าอาตมาให้ได้อาตมาก็ยินดีบอกอาตมามาเถอะนิลาวดีที่ที่ฉันจะขอร้องท่านก็คือว่าขอให้ท่านอยู่ที่นี้ต่อไปอย่าเพิ่งเรียบหนีไปซะแล้วก็ขอนิมนต์ไปฉันที่บ้านตามเดิมที่ฉันขอร้องเพียงแค่นี้ท่านจะให้ได้ไหมถ้าอาตมาปฏิเสธ ก็จะเป็นการพารุ่นกับหัวอกสตรีมากเกินไปถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าอาตมาจะอยู่ที่นี่ตามคำขอของเธอลีลาวดี นั่งสมาธิรวมจิตอยู่ทีน่นี่อีกตามเคยเรวัตถะถูกแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับลีลาวดีนะสิไม่ใช่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เก็บเอาเรื่องลีลาวดีมาคิดนั่นมีเรื่องอะไรล่ะพ่อจะบอกพ่อได้ไหมที่ข้าพเจ้าไม่สบายใจเป็นเรื่องของความหลัง ครั้งที่เป็นโจรอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้าทารุณไว้อย่างมหันตุกครั้งที่หวนคิดถึงชีวิตตอนนี้ข้าพเจ้าเสียใจมากลูกเอ้ยเรื่องก็ผ่านไปนานแล้วอย่าคิดอะไรอีกเลยทำให้จิตใจหม่นหมองเร่ดาวเมื่อผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปเถอะนะ สัพพรมศสสดาตรัสว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นแล้วทำไหม่ะเกรวัตะักข้าพเจ้าสังขอนใจว่าสักวันหนึ่งกรรมที่ได้หวานไว้คงจะผลิตผลให้เห็นเป็นแน่อย่าคิดมากเลยเจ้า ก, ก็ได้ทำดีลบล้างผิดนั้นแล้วคิดว่าจะลบล้างกันได้เนี่ยพอที อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจะไม่เกิดเรื่องอย่างที่เจ้าสังหรณ์ใจแน่นอนเออนี่เป็นต้นเดือนพักคุณมาติและเป็นคิมหันตฤ ด, ดูใช่ไหมถูกแล้วมินายอะอากาศตอนกลางวันถึงร้อนจักแต่ก็เย็นสบายในค่ำคืนดูสิทั่วท้องฟ้าเหนือกรุงสาวรี ไม่มีเมฆแม้แต่กลุ่มเดียวแต่ท้องฟ้าก็ไม่โปร่งใสเหมือนวันก่อนขอบฟ้ารอบด้านวิแต่หมอกควันนั่นเกิดจากไฟป่าแล้วฝุ่นละอองพ่อเห็นจะต้องไปก่อนละวันนี้พระบรมศาสตร์สดาจะเสด็จไปยังเมืองสาเกตตามคำานมนของเศรษฐีคนหนึ่งพ่อจะต้องติดตามพระองค์ไปด้วย เห็นทีพระเชตวันวิหารจะเงียบเทียบทีเดียวพอไปแนละ้วพระเชตวันวิหารซึ่งเงียบอยู่แล้ว เงียบลงไปอีกเท่าตัวเมื่อพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาเกตแต่ก็เป็นที่สบายดีเพราะชอบความเงียบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วรู้สึกว่าอากาศวันนี้จะร้อนเอามากทีเดียวจึงก็มานั่งเล่นบนแท่นหินที่ใต้ร่มไทรย้อยเพื่อบรรเทาความร้อนลงได้บ้างเอนั้นคนพวกไหนกันสักยี่สิบคนเห็นจะได้ มีอาวุธครบมือโดยเข้ามาในอารามคงจะเห็นเดินตรงเข้ามาหาแล้วอ๋อจากเครื่องแต่งตัวก็พอจะรู้แล้วทหารของพระราชานั่นเองพระคุณเจ้าขา้าพเจ้ามาที่นี่ได้กิจราชการของพระราชามีอะไรเหรอกับขา้าพเจ้าต้องการพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครภิกษุนั้นชื่อเรวัตตท่านรู้จักไหมรู้จัก รุณาบอกข้าพเจ้าหน่อยเถิดข้าพเจ้าจะไปหาพิสุไรวะตตาได้ที่ไหนไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนเนืองเมื่อเรวะตตานั่งอยู่นี่แล้วอะท่านถูกแล้วอัตมาคือเรวัตตาพิกสุโหดดีทีเดียวนึกว่าจะไม่พบท่านเสียอีกเราถามหาท่านมาตลอดทั้งแกล้งโกศุล พึ่งจะพบวันนี้เองท่านมีเรื่องอะไรกับอัตมาเ่ะ ค, คือว่าคือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่บางทีการปฏิบัตินี้อาจจะรุนแรงไปบ้างก็ขออภยัยคือว่าข้าพเจ้าขอร้องขอให้ท่านศึกษาเพศทีสุดเดี๋ยวนี้ ท่านพูดอะไรนะเมื่อกี้นี้ข้าพรเจ้าขอร้องท่านจงสึกเถอะดูก่อดูบาศกอาตมายังไม่เข้าใจในคําพูดของท่านขอให้ท่านสึกเดี๋ยวนี้อาตมาไม่สึกอาตมาไม่มีความผิดอะไรท่านมีอํานาจหน้าที่อะไรกาบังคับให้อาตมาสึกเรื่องนั้นไม่ต้องพูดท่านจะสึกก็ไม่สึกอาตมาไม่สึกทหา ร, า ร, ารจับเข้ามา มาไไ่ในที่สุดท่านก็ต้องแพ้สมองทีวอนถูกเปื้อนออกหมดน้ําซ้ํายังถูกมัดมือไผ่หลังอย่างแน่นหนาอีกด้วยพวกท่านไม่ถึงสิบกว่าคนอัตมาคนเดียวไหนเลยจะสู้ได้เรียกว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไปท่านยอมได้แต่แรกก็ไม่ต้องเหนือยอย่างนี้ท่านทํากับเราอย่างนี้ป่าเขินมากเราถูกบังคับให้สุดโดยไม่มีความผิดถึงยังไงก็ตาม เรายังเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์ท่านจะเป็นสมณะหรือข่าว่าก็ตามเถอะแต่ว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นโจรต้นฆ่าพลเมืองผู้ไร้ความผิดเลี้ยงขีท่านเรื่องของท่านเป็นที่เปิดเผยแล้วท่านได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มากบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้กรรมนั้นตังแล้วหัวใจอ่อนและ้วยลงไปทําใดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นโจรจริงสิ จนพวกทำลายความสงบสุขของชาวบ้านเป็นผู้ผิดกฎหมายแผ่นดินวัดนี้กรรมเดตามาสนองแล้วไม่มีหน้าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับพวกราชบุรุษซึ่งทำหน้าที่ของเขาถูกแล้วข้าพเจ้าได้รับพระราชดำรัสจากพระราชาให้ปราบพวกโจรให้ได้ถ้าปราบไม่ได้ทหารทั้งกองที่ข้าพเจ้าคุมอยู่จะถูกลงโทษอย่างหนักข้าพเจ้าจึงยกคนเข้าบุกล้งพวกโจรในป่าใหญ่ ทางตอนเหนือของแฟนโกสนแต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวพวกโจใกรในลายตัวกันไปหมดแล้วท่านคุมทหารไปตอนนั้นทุกคนเลิกเป็นโจรกันหมดแล้วเพราะเหตุ น, นี้จึงต้องพบกับความผิดหวงังแต่นั่นไม่ได้ทำให้รักความพยายามต่อมาก็ได้ทราบว่าพวกโจรเนี่ยได้หนีไปบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาหมดแล้วจึงไม่ติดตามจับในเมื่อทุกคนก็เลิกเป็นโจรบวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้ว ทำไมท่าต้องตามจับแต่ีิที่ต้องตามจั บ, จบก็เพราะเกรงกลัวต่อพระอาญาของพระราชาซึ่งสำทับเอาไว้แล้วว่าจะต้องจับจนพวกนี้ให้ได้ท่านคงจับอาตมาได้คนเดียวไม่ใช่แต่ท่านหรอกคนอื่นที่เป็นจรจับไปแล้วสิบกว่าคนอาตมาจะต้องถูกลงโทษสถานใดประหารชีวิตประหารชีวิตถูกแล้ว ทหารชีวิตแบบขุดหลุมฝังแค่ขอเอาฟางกรอบและจุดไฟคลอกใครตายธารุนเป็นการเหมาะสมสำหรับพวกโจรและและเมื่อตายแล้วพนักงานจะนำโคเทียมไถมาไถที่สา้ขาดเอาละ่ะท่านพร้อมที่จะไปได้หรื อ, อยังอัตมาพร้อมแล้วถ่ายงังกันไปเถอะ พวกโจรทั้งหมดสิบกว่าคนที่ถูกจับได้ถูกนำมาขึ้นหลังลาทุกคนผมอย่างเคียดเกร็งและเพิ่งถูกกังคบให้ศึกหน้าตาเขาแต่และคนหม่นหมองหลังจากนั้นก็พาเข้าขาบวนแห่ประจานไปตามถนนสายตั้งตาในพระน ค, สนคนรสวรมาก คนฆ่าคนมานับไม่้วนบัดนี้กำปั้มสนองพวกมันแลวมันจะถูกประหารทดใช้บาปที่กระทำจงมาดูหน้าตาพูมันเอาไว้แล้วอย่ารีเป็นโจรอย่างพวกมันเจ้าขาย จเจ้าและเพื่อนโจรทุกคนต่างพากันก้มหน้านิ่งด้วยความอายเหมือนกับว่าตายไปแล้วครึ่งตัวลากลีลาวดีเอ๋ยอาตจจมาไม่มีโอกาสจะเห็นหน้าเธอและสนองความปรารถนาดีของเธออีกแล้วลาก่อนดูเหมือนขบวนแห่จะผ่านพระฤหัสท่านสุมคละฝูงชนยืนแออัดดูอยู่ตามข้าวถนนเป็นครั้งแรกที่เงยหน้าขึ้นดูฝูงชน จยุดประสงค์เพื่อค้นหาลีลาวดีเพื่อมองเธอเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ไม่เห็นร่องรอยของลีลาวดีใจเศร้าว่าผิวชะเง้อบองไปที่ปราสาทชั้นบน่าทีอาจจะได้เห็นอโชคช่วยลีลาวดียืนมองดูขบวนแห่อยู่ที่หน้าต่างเคียงข้างกบมานดาของเธอรีบก้มหน้า ตัวเธอจะจําได้แต่เธอคงจําไม่ได้หรอกจากเครื่องแต่งตัวและเครื่องพัฒ น, นาการคงทำให้ดูแปลกไปมากขบวนแห่ผ่านไปแค่นี้ก็พอใจแล้วได้เห็นหน้าลีลาวดีเป็นครั้งสุดท้ายแต่จะชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ตามเรวตตเรวตรตลีลาวดี เฮ้ยนันผู้หญิงที่ไหนอะได้กันได้กันีากอดขานักโทษอะรียตาลิลาวดีเธอรู้ได้ยังไงฉันก็รู้เธอรู้ว่าเป็นท่านก็เลยติดตามมาลืมอาตมาสะกทีเพราะว่าอาตมาจะต้องตายเรีตาลิลาวดีฮะผู้หญิงเป็นลมไปแล้วเป็นลมนไปดูดไปดูดิไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็เว โย่อโย่มาลานหลวงแล้วเอานักทอดลงตะกลงล่ะแก้กันได้แก้กันได้เอาลงเฮ้เอาลงมานั่นน่ะกี่คนกี่คนลงมาหมดอ่ะไอ้ จะประหารเดี่ยนี้เลยใช่ไหมท่านนายทหารดีเหมือนกันจะได้ตายซะเร็วๆยังไม่ประหารหรอกที่นี่เตรียมอาหารอย่างดีไว้ให้กินกันให้อิ่มหนำสํารานก่อนแล้วถึงจะประหารจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อจะตายกันอีกในเวิชา น, นี้แล้วและอีกอย่างหนึ่งอาตมายังถือว่าเป็นภิกษุจะไม่ยอมละเมิดพระวินัยฉันอาหารในการเวลาวิการแม้จะตายอยู่แล้วก็ตายตามใจ ทหาราที่จี้กามเสร็จสิ้นหรื อ, อยังเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอาตัวลงหลงมุมเอาอะไรครับผมอะไรปลอะไรปลอแปลงถูกคุมตัวมาลงหลุมที่เตรียมไว้เจ้าหน้าที่เกลี่ยมูลดินถมสูงขึ้นมาถึงคอ แต่ชายไม้ตำดินให้แ น, น่นจนกระดุกกระดิกไม่ได้เอาตาดินแน่นหรือยัง<อ>แน่นแล้วเอาฟางมาเกยกรบแล้วอาฟามะเกยกรบเสร็จกันแล้วอีกไม่กี่อึดใจแล้วสินะคระเพลิงผู้ไม่เคยปรา ด, ดีใครจะลุกลามมาไม่ครอบรอคอยวาระสุดท้ายด้วยใจอันวุ่นวายเสียงของลีลาวดียังก้องหลอนอยู่ในประสาท เวลาผ่านไปพรอเพลิงก็ยังไม่ครอบขอให้เจ้าในที่จุดไฟเผาเร็วๆทีเถอะจะได้รีบไปสักจากโลกโ<ต>อันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทรมนีจ้จุดไฟจุดไฟนายทหารสั่งแล้วเสียงย่ำฟางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาความรู้สึกเริ่มจะเลือนลาลาก่อนรีลาวดีลากน โลกอาจเป็นทะเลทุกแม่จ๋าลูกกำลังจะไปอยู่ร่วมกับแม่เดี๋ยวนี้แล้วจุดได้โอ๊ย